วัานไประเทศเซเว่นอีเลเว่นน่ะตลกดีพอถึงเวลาให้ถามคำถามห้ามถามกรรมฐานส่วนตัว <c oughs> ต้องเป็นกรรมฐานต้องเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม <c oughs> เราฟังจะถามยังไงวะ <c oughs> พวกคนที่ถามนั่งก็เลยพอเริ่มถามปุ๊บโคศกเขากบอกว่าอันนี้เป็นคำถามส่วนตัว ถามไม่ได้อีกคนหนึ่งก็ความใหม่ไปได้บอกผมขอถามคำถามส่วนรวมหนึ่งข้อครับแถมส่วนตัวหนึ่งข้อ <c oughs> <c oughs> แกให้ถามส่วนรวมได้ห้ามถามส่วนตัวสุดท้ายแกเลยถามเอง <c oughs> เป็นตัวอย่างถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยควรจะมีธรรมะแบบไหนขอแบบนี้เองส่วนรวม <c oughs>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 เออไปเทศมาตั้งหลายสิบแห่งแล้วนะที่นี่มันที่สุดเลย <c oughs> ปัญหาในชีวิตน่าเกิดได้เสมอนะปัญหาในชีวิตสิ่งที่นึกไม่ถึงเกิดขึ้นได้เสมอแหละแต่คนมีธรรมะเนี่ยยังไงก็รอดธรรมะยังไงก็คุ้มครองบุญกุศลมีจริงนะบุญกุศลยังไงก็คุ้มครอง หน้าที่เราดำเนินชีวิตไปด้วยสติมีสติมีปัญญาระวังรักษาตัวเองปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมันก็มีเหตุ น, นะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาถปิทิกะไปถูกคลังสินค้าของแกถูกแม่น้ำพัดไปล้มละไลายนะเคยล้มละไลายตอนล้มละไลายเนี่ยก็ยังอุตสาหิไปวัด แกเอาผักดองไม่มีของดีจะไปถวายพระและ้วเอาผักดองแกถวายพระแล้วแกก็ร้องไห้เสียใจบอกทานของข้าพระ อ, องค์เนี้ยเศร้าหมองมากเลยคือเป็นของไม่ดีเลยะนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทานของท่านเลยนะท่องใส่มากนะปัญหาเนี้ยมันมีเหตุมันผ่านมาช่วงครั้งช่วงคราวปัญหาทั้งหลายนี่เกิดทั้งตัวมันเองนะถ้าเราถอนตัวออกมา เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูคอยรู้คอยดูลักษณะใจเราไว้กระทั่งปัญหาหนักๆในชีวิตเนี่ยตัวมันบางทีมันก็แก้ตัวมันค่อยๆคลายออกไปได้อย่างบางคนอกหักนะอกหักไม่ต้องภาวนามันยังหายเลยมันจะไปหักทั้งชาติไม่ได้หรอกปัญหาจริงๆมันก็คลายตัวของมันอยู่ตลอดเวลามันมีเหตุประจบกันเข้ามาก็มีสำคัญเวลามันมีปัญหาเราอย่าทุกข์ก็แล้วกัน ดูเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาโชวั่วครั้งชั่วคราวตั้งหลักตั้งสติรักษาใจให้มันมีความสงบสุขไว้ก่อนเดี๋ยวมันมีสติมีปัญญาไปแก้ปัญหาได้อ้าวต่อไปตรวจกันบ้านเราจะเอาแบบส่วนตัวหรือส่วนรวม <c oughs> ถ้าส่วนรวมเราก็ต้องถามกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับผู้หญิงผู้ชายก็ถามกรรมฐานอะไรเหมาะกับผู้ชาย กรรมฐานอะไรเหมาะกับเกย์เลยนะออต้องมีอย่างนั้นนะเป็นกลุ่มๆไปไอ้อย่างนั้นไปหาหนังสืออาณาเอาไปแล้วกันเอาต่อไปเชิญถามกรรมฐานเฉพาะตัวห้ามพูดเรื่องคนอื่น อ, อ่ากลัวครับหือ้อกลัวครับกลัวอะไรเพ่งด้วยครับแล้วก็กังวลใจครับภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะใจมันตื่นแล้วรู้สึกไหมชีวิตเราเปลี่ยน ไม่ค่อยรู้สึกครับดูไม่ออกเลยเหรอือ <c oughs> มันบางทีมันก็คิดว่าเอ้เราพยายามที่จะไม่เอารึเปล่าครับหรือว่ามันรู้ซื่อไปนะ <c oughs> ดูไปสบายสบายอย่าไปปฏิเสธอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวตอนนี้ใจของเรามันตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมมันหลุดออกจากโลกที่สับสนวุ่นวายนั้นมาแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ <c oughs> ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเออไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนะ <c oughs> มันดีขึ้นเยอะแล้ว นี่ไม่สบายนะภาวนาหายดีขึ้นเยอะเลยหมอเนี่ยจนปัญญาแล้วไม่รู้จะให้กินยาอะไรเราที่กลัวแล้วครับหลวงพ่อที่ที่กลัวแล้วครับกลัวครับกลัวอะไรกลัวหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อก็กลัวครับครับกลัวรู้ว่ากลัวนั่งรู้ลงไปเลยเราเห็นเลยว่าอะไรมันกลัวแล้วทั้งจิตเราก็ไม่ได้กลัวนะความกลัวเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป จิตเป็นคนรู้ว่ากลัวจิตไม่เคยกลัวเลยนะค่อย fois löss เงียงแ น, น่กระทั่งความทุกค์น่ะความทุกค์เกิดขึ้นเราเซ็งท gli เป็น木花ความทุกค์ก็เป็นสึงที่จิตไปรู้เข้า ha ha haird จิตไม่ได้ทุกค์ความทุกค์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เบนทุกบอก กลับในมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูรู้สึกว่าเวลาหนูจะค่อนข้างหลงเข้าไปในความคิดนะคะแล้วก็กว่าจะรู้สึกตัวเนี่ยมั น, ม, นมันบางทีนานอยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยดูสภาวะได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อดูหลวงพ่อก็รู้ตัวของหลวงพ่อสิเราก็เท่าตัวของเราสิค่ะค <c oughs> ่ะ <c oughs> จิตของเราเป็นไงเราก็ดูไป <c oughs> ตามดูไปอย่าไปเพ่งไว้นะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องค่ะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เอาค่ะที่ฝึกอยู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละ แล้วก็มันจะมีอาการแปลกๆสองอย่างอะคะ่ะคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเวลานั่งวิปัสสนาจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีแรงผลักศีรษะไปทางด้านขวาะ ค, ะค่ะแค่แนั้นเกิดจากสมาธิแล้วไม่ใช่วิปัสสนาแล้ว<ะ>ก็คงคล้ายๆกับรู้สึกเหมือนมีอะไรมากัดไตเติ้ลเออนั่นตแหละเรื่องของสมาธิทั้งนั้ น, น, นเรื่องสมถะแสดงว่าที่นั่งอยู่ไม่ได้ทำวิปัสสนา ห น, ห น, หนูหนูหนูว่าหนูทำสมาธิไม่เป็นจริงจริงมันทำไปแล้วใช่ไหมคะลองลองทำซิทำอย่างที่เคยทำทำให้หลวงพ่อดูวางไม้ไปเกิดจิตเข้าอาปนอาปนาเดี๋ยวไม้ตกแตกเนี่ยจิตเดินไปอย่างเนี้ยจะไปสมถะหายขึ้นมาไม่เอาเห็นไหมโมหะแทรกแล้วซึมไปแล้วไม่เอาเลยนะอย่างนี้กรรมฐานชนิดนีด้ต้องเลิกเลยนะ ใหายใจไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่าให้ขาดสติอย่าน้อมใจลงไปเห็นร่างกายนี่หายใจไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูสมถานี่ทำไปนะจนกระทั่งเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเรียกว่าได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเราไม่ได้ทำสมถาก็ให้เคลิม้มเคลิ้มไปแล้วเนี่ยใจไหลไปแล้วดูออกไหมถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาเข้าไปติดอีกแล้วเข้าไปติดแล้วหายใจแรงๆลืมตา อ, อยากเข้าไป รูปตรงส küç ลูงเนื่อ ย, เลยนำักปราศการเจ้าค่าลือ ก, การส่งการบัานว่างไาไปอย่างนั้นเข้พยาต аксим ส�ในภาพ bis ทำมาเฉ thrill More ว่าน iod อาศการส่งกันคนแยงยังนั้น perceive ไม่ได้ค conservative отдικogle นได้นี่คือ6000วัน น, นั้นเคล่านุ่นไหวไหมไปเดินมากกรมดีกว่า Annual czyli จิตจะนอดการ Com scared ทั้งโลกยัมงป ม, ปไมี Crime process ötting you รู้สึกไหมเกลิ่ม필เย จะไม่รู้ตัวชัดไม่ดีพยายามหายใจไปรู้สึกตัวมีสติไปเรื่อยมีสติเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยพระเจ้าถึงบอกไงว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อมใจไปเคลิ้มเคลิ้มนะมาฟังทำแล้วก็เริ่ ม, มหัดดูจิตตามแนวของหลวงพ่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาคะ่ะ แต่หลังจากที่ฝึกตามแนวพองยุฟมาตั้งแต่ปี2521แล้วช่วงสิกปีที่ผ่านมาก็พยายามไปเข้าคอสอะไรกับครั้งละเจ็ดวันมาอะไรความดิเกือบจะทุกปีก็หนึ่งสัปดาห์ที่ก่อนจะมาดิกพยายามรู้ตัวแต่ก็เพราะว่า<ม>บันจะ ม, มีกำหนดไ ม, ไ, มไม่ต้องพนมมือนะจับใหม่แบบร้องขาลาอุกเกีย คือพยายามจะรู้ตัวแต่ว่าจิตมันจะจะมีการกำหนดออกมาโดยอัตโนมัติหลายครั้งมันจะบอกว่าคิดคิดคิดคิดคิ ด, คด <c oughs> ก่อนที่จะรู้ตัวว่าตัวเองคิดไปแล้วอพอพยายามจะเดินจงกรมก็คิดว่าเอ๊ะนี่เราเพ่งท่่เทาหรา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ นี่เพ่งไปหรือเปล่าอันนี้เรากำหนดบังคับให้เขาหยุดคิ ด, ดหรือเปล่าหรือเรารู้ตัวดูง่ายๆนะถ้าเพ่งเนี่ยใจจะแน่นๆ แ, แข็งๆ ข, ขึ้นมานถ้าต่อไปเวลามันเกิดถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเพ่งหรือเปล่ารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่โดยโลกปัจจุบันอย่างนี้เลยรู้ว่าจิตกำลังสงสัยอยู่แค่เน้นพอละเราก็จะเห็นเลยความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปสภาวะทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไป กระทั่งความสงสัยเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆไม่ต้องดิ้นรนค้นคนกว้าหรอกว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไรเราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดากระทั่งความสงสัยเกิดขึ้นเรามีสติตามดูไปความสงสัยก็ดับเป็นธรรมดาแค่นั้นถือว่าใช้ได้แล้วถ้าเผื่อเวลามีทำบริกรรมขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็รู้ไปว่าจิตมันบริกรรม เห็นไหมไม่ใช่เราบริกรรมเราไม่ได้จงใจนะจิตทำงานได้เองการที่เราเห็นว่าจิตสามารถทำงานได้เองเนี่ยบางคนนะเกิดปิ๊งขึ้นมาเลยว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานได้เองแค่นี้ก็พอละแล้วเวลาดูกายก็ไม่แน่ใจว่าดูถูกหรือเปล่าคะ่ะถ้าถ้าดูถูกเนี่ยใจเราจะตื่นขึ้นมานะใจจะเบาสบายไม่หนักไม่แน่นหรอกถ้าดูกายไปแล้วใจก็หนักหนักอันนี้ไม่ใช่ไปเพ่งกาย รู้ไปสบายสบายาแล้วเคยได้ยินหลวงพ่อแนะนำให้บางคนดูจิตบางคนดูกายอย่างอยอมนี่เจ้าของของโยมน ะ, มนะเป็นคนช่างคิดนะกรรมาฐานที่เหมาะกับโยมคือการดูจิตแต่ว่าจิตของคนซึ่งเคยฝึกที่โยมฝึกมาเนี่ยมันเป็นสมถะคนที่ฝึกจนจิตติดในสมถะมาแล้วเนี่ยอยู่ๆมาดูจิตบางทีจิตนิ่งเกินไปนก็มาดูกายไว้ก่อน เห็นร่างกายกระพริบตาเห็นร่างกายเดี๋ยวสายแรงกว่านะดูไปเรื่อยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆฝึกอย่างนี้ถ้าพอมันมีแรงแล้วมันก็จะเห็นร่างกายเป็นของถูกดูเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็เป็นของถูกดูกุศลอะกุศลก็เป็นของถูกดูกระทั่งจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยมีแต่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยค่อยๆหัดนะ หนึ่งปีที่ผ่านมานี่ใช้ได้แล้วนะที่เคยติดมาแต่ก่อนติดแรงนะติดจนซึมตอนนี้จิตคลายตัวออกมาไปเยอะแล้วดีแล้วละอดทนนะเปลี่ยนไปคือหลวงพ่อไม่ใช่ว่ารังเกียจรังงอนกรรมฐานพองยุบนะกรรมฐานพองยุบทำถูกก็ไปได้เหมือนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ทำผิดทำแล้วไปติดสมถะ แต่ถ้าทำแล้วเจริญปัญญาเนี่ยเราจะเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเป็นแค่คนดูนั่นอย่างนี้ได้นะไปได้เลยแต่ถ้ามันพองก็พองเนาะยุบเนาะนี่บริกรรมแล้วบริกรรมเป็นสมถะนะถ้าเห็นสภาวะเห็นรูปมันพองเห็นรูปมันยุบใจเป็นคนดูอย่างนี้ใช้ได้จะเห็นเลยว่าร่างกายที่พองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยอย่างนี้ใช้ได้อย่าไปเข้าใจว่าหลวงพ่อ เกลียดกรรมฐานสำนักโน้นชอบกรรมฐานวัดนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อมีทุกกรรมฐานเลยมีสารพัดเลยย้งเป็นพวกเข้าทรงนะไม่มาแต่บางคนมันยังอุตรินะว่าหลวงพ่อไปเข้าทรงมันมีนะชักจะเริ่มมีแล้วอ้าวต่อไปครึ่งหลังสิบคนครึ่งห้องด้านหลังใครจะถามหลวงพ่อชูป้ายเก้าสิบ นามส ก, การ์คะ่ะหลวงพ่อคือโยมอยากสอบถามว่าวิธีที่โยมปฏิบัติอยู่มันออกนอกลูกนอกทางไปหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ในรูในทางแล้วก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อให้ความเมตตาแนะนำโยมเพิ่มขึ้นด้วยคะ่ะอยู่นะแต่จิตมันอยู่นอกๆจิตมันไม่ตั้งมั่นพอนะรู้สึกไหมขนาดนี้จิตมันกระจายออกนอกใช่ค่ะจิตมันจะอยู่นอกๆค่ะให้รู้ ท, ทันนะอย่าไปติดอยู่ที่นี้ค่ะถ้าจิตไปอยู่ตรงนี้จะมีแต่ความสุข นานๆไปมันขี้เกียจที่จะรู้กายขี้เกียจจะรู้ใจมันจะเอาแต่ความสุขตอนนี้ไม่ใช่เวลาหาความสุขตอนนี้เป็นเวลาเรียนรู้ทุกไปก่อนเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนจิตปล่อยวางเวลาจิตปล่อยวางกายวางใจนะจิตไม่ได้เคลื่อนมาอยู่ข้างนอกนะอย่างตอนนี้จิตของโยมมันไปจ้าอยู่ข้างนอกเป็นภพอันหนึง่งภพอย่างนี้ก็ไม่มั่นคงหรอกนะก็เป็นภพของการเพ่งอรูป แต่ถ้าจิตปล่อยวางจริงๆเป็นนิพพานจริงๆเนี่ยมันอยู่พอดีพอดีอยู่กลางกลางไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในแตอนนี้รู้สึกไหมมีข้างนอกมีข้างในยัง<ช>มีสองอยู<ช>อย่สิ่งใ<ช>ดเป็นสองสิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงหรอกนะเพราะเราอย่าติดในความสุขอย่าติดในพบละเอียดอันนี้ให้รู้ทันว่าจิตส่งออกนอก<ช>ไม่ต้องดึงเพื่อมันจะเข้าเองไม่ต้องดึงนะเออดังนั้นทุกครั้งก็ให้รู้ทันไปว่าจิตไม่ จิตไม่ตั้งมั่นนะคะจิตไม่ตั้งมั่นดูออกใช่ไหมเก่งหลวงพ่อคะเราไม่ทราบว่าโยมเนี่ยยังติดเพ่งติดประคองไหมคะรู้สึกบางครั้งก็มีการติดเพ่งติดประคองของเก่าเคยชินไม่เป็นไรเพ่งรั่วเพ่งประคองรั่วประคองตอนเนี้ยที่ร้ายกว่าเพ่งร้ายกว่าประคองคือไปติดว่างเบอร์ไล้หกสิบเจ็ดไล้หกสิบเจ็ดกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่ทำถูกหรือเปล่าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไปดูออกไหมเวลาจิตฟุ้งซ่านค่ะตอนนี้มันตื่นเต้นน ะ, คะเออนั่นแหละนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกนารภาวนามไม่ยากหรอกความรู้สึกอะไรกำลังเกิดขึ้นสดส ด, สดร้อนๆในใจเราเราตามดูไปเรื่อยอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมค่ะใจไหลไปคิดเราก็รู้ว่าใจไหลไปคิดนะไปอีกแล้วทราบไหม หรู้สึ ก, ออกไหว่ามันมันมั น, ไ, นไม่อยู่ที่ฐานนะคะเออนั่นแหละมันหนีไปมันหนีไปให้รู้นะไม่ใช่บังครับให้อยู่ที่ฐานเพียงแต่มันหนีออกจากฐานแล้วรู้ทันจำไว้น ะ, ะไม่บังครับให้อยู่ที่ฐานมันหนีออกไปจากฐานแล้วก็คอยรู้เอาน ะ, คะแค่นั้นแหละค่ะขอบพระคุณค่ะเบอร์ร้อยห้าเชิญกับน้ำมาสการหลวงพ่อครับขอเรียน กับเรียนถามประมาณสามข้อนะครับข้อแรกเมื่อวานที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะให้คนละข้อนะเพื่อส่วนรวมด้วยเอาข้อที่หนึ่งเพื <laughs> ่อส่วนตัวว่าไ <3 S 2> ปสามข้อเพื่อส่วนรวมครับของส่วนรวมเลยน ะ, ะข้อแรกเนี่ยได้ยินมาว่าบางคนดูจิตแล้วดูไม่ถึงจิตไปดูอาการของจิตเนี่ย อ, อยากอขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อครับจิตเนี่ยเป็นตัวดู แต่เวลาเราดูนะเรากลับไปหลงวุ่นวายอยู่กับความปรุงแต่งของจิตเช่นจิตมันโลภขึ้นมาก็หาทางให้หายโลภจิตมันโกรธขึ้นมาหาทางทำให้หายโกรธคิดจะทำอะ่ะไม่ใช่รู้ไปวุ่นวายแก่การแก้ไขอาการหลวงพ่อเองก็เป็นนะไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกนะท่านบอกให้ดูจิตกลับมาบ้านเราคอยดูเรื่อยเลยจิตมีราคาเราก็พิจารณาอสุภะ ราคาก็ดับไปจิตมีโทรสะเราก็เจริญเมตตาโทรสะก็ดับไปจิตมันลแอ บ, บไปคิดไปนึกเราก็มาอยู่กับพุโทโธลมหายใจนะจิตก็ตั้งมั่นสงบอันนี้มันไม่ใช่การดูจิตแต่มันเป็นการแทรกแซงแก้ไขอาการของจิตเป็นสมถะดีเหมือนกันนะแต่ดีอย่างสมถะสแสดงว่าดูจิตก็คือแค่รู้ก็พอใช่ไหมครับหลวงพ่อคือการดูจิตเนี่ยมันมหลีหลายระดับนะ เบื้องต้นเราดูไม่เห็นตัวจิตจริงๆหรอกเราเห็นแต่จิตสังขารเช่นเราเห็นว่ามันโลภมันโกรธมันหลงขึ้นมาเฝ้ารู้ไปด้วยนะโลภโกรธหลงก็ดับไปใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้พอใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยคำว่าดูจิตเนี่ยไม่ใช่เพ่งใส่ตัวผู้รู้นะเราก็เห็นแค่ว่าเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเราก็เห็นความเคลื่อนไหวเห็นความเปลี่ยนแปลงการดูจิตที่ต้องระวังมากเลยอันหนึ่งอย่าไปเพ่งความว่างอันหนึ่งอย่าไปเพ่งใส่จิต อันหนึ่งอย่าไปเพ่งใส่ความไม่มีอะไรอันหนึ่งอย่าไปเพ่งให้ความรู้สึกตัวเลื่อนๆไปการเพ่งสี่อย่างนั้นคือการทำอรูปฌานนะคลาดเป็นสมถะได้เพ่งจิตก็เป็นสมถะนะเพ่งกายก็เป็นสมถะเป็นรูปฌานเพ่งจิตก็เป็นอรูปฌาน น, นั้นไม่เพ่งตามรู้ตามดูไปส่วนประโยคที่ท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยตรงนี้อยู่ในขั้นอรหัตตมรรค แต่ท่านพูดแบบสงวนท่าทีนิดหน่อยพูดว่าเป็นอรหัตธรรมมันเดี๋ยวคนก็จะไปว่าท่านเวลาเราภาวนาเนี่ยมันจะรู้ทีแรกมันรู้แจ้งสิ่งที่หยาบหยาบเข้ามาก่อนเนี่ยอย่างตรงที่เข้าใจกายแจมแจ้งแล้วเนี่ยมันวางกายลงไปมันจะทวนกระแสเข้ามาห า, าธาตรู้ทวนเข้ามาที่จิตตรงที่รู้จิตแล้วเนี่ยเรียกยากยังไม่ใช่จิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งคือรู้ว่าตัวาธาตรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ถ้ารู้ตรงนี้รู้แจ้งแล้วจนตรงนี้ที่วัตถุสงสารจะคว่ำทำลายลงอาจารย์มหาบัวเขาสอนตรงนีน้เหมือนกันเลยครับข้อที่สองนะครับหลวงพ่ อ, อการทำในรูปแบบการทำสมถานะครับที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้จิตเป็นผู้รู้ดูการทำงานของของกายไปไม่ว่าจะเป็นการ ยุบหน่อบ้องหนอ่อดูลมหายใจนะครับผมเข้าใจตามนี้ถูกต้องไหมครับว่านอกจากการดูการทำงานของกายไปแล้วเนี่ยโดยจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยขณะที่เราตั้งเนี่ยควรจะรู้ไปด้วยว่าขณะที่เราเผยคิดไปให้รู้ว่าเผยถูกต้องนะไม่ใช่ดูอันใดอันหนึ่งหรอกดูเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปจิตไหลไปก็รู้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้นะสุดท้ายมันเข้ามาที่จิตนั่นแหละ แต่ตรงนี้จิตจะพลิกสองอย่างตรงที่กระทั่งทวนเข้ามาถึงจิตแล้วนะบางทียังพลิกเป็นสมถะได้เลยเวลาที่จิตไม่มีแรงพอนะจิตจะจับเอาที่ความรู้สึกเฉยๆแล้วก็ว่างๆอยู่ยนั้นพักผ่อนเป็นสมถะถ้าจิตมีกำลังก็จะเห็นว่ากระทั่งตัวรู้ก็เกิดดับไปอีกคุณภาวนาได้ละเอียดดีนะครับกลับมาคุณข้อสุดท้ายนะครับหลวงพ่ อ, เ, อ, อเคยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วสงสัยอยู่ข้อหนึ่ง รวมทั้งอ่านหนังสือด้วยคือการทำจิตมีหน้าที่หลายอย่างนะครับจิตดวงสุดท้ายในขณะที่เราจะหมดลมหายใจนะครับจากโลกนี้ไปเนี่ยจะเกิดนิมิตต่างๆผมเข้าใจว่าเกิดจากการกระทำก็คือกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมเลวที่เราได้สร้างมาในชาตินี้นะครับหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราภาวนาจนกระทั่งสติเราเกิดไว นะครับ เ, เราก็จะไม่ไปอบายผมเข้าใจว่าหมายถึงว่านี่มิตรที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตเราก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่คือช่วงนั้นจะเกิดสติขึ้นมาทันอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่แต่ตัวนั้นไม่ใช่จิตตัวสุดท้ายนะจิตตัวสุดท้ายทำหน้าที่ตายอย่างเดียวเนี่ยจุดตีจิตก่อนหน้าที่จุดตีจิตจะเกิดเนี่ยจิตตัวเนี้ยออกมารู้อารมณ์มาเสวยอารมณ์เหมือนกันแต่อารมณ์เนี้ยนะอาจจะเป็นอารมณ์ ในอนาคตเห็นที่ที่จะไปเกิดนะหรือจะเป็นอารมณ์อดีตเช่นเคยทำกรรมไว้ก็นึกถึงกรรมมันนั้นขึ้นมาได้หรือเห็นเครื่องมือในการกระทำกรรมเช่นเคยไปยิงคนมาบ่อยๆ บ, บางทีก็เกิดนิมิตเห็นว่ากำลังยิงเขาบางทีนิมิตขึ้นมาเห็นปืนเนี่ยจิตที่จะไปทางไม่ดีนี่จิตตรงที่มันไปเกิดนิมิตขึ้นมาไม่ดีปั๊บเนี่ยถ้าสติเราฝึกไว้ชำนาญ น, นะมันจะสติอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะ จิตมี pouch จะตื่นให้นมารู้ตัวแล้วต่ายตรงนั้นเลยคุณภาวนาได้ดีนะ grate รา turbulence คุณครับมา uki 戈โด sessions ดูออก ắng errands โดงครับดีภาวนาดีแล้วดูออกตอนนี้ประควงไว้มิตินึดนงดูออกไหมโดงครับเอดตอนนี้จิตไม่ถึงภา가족ดูออกไหมโดงครับโดงไปใหมันได้อย่างนี้ Vancouver ชื่ออะไรชื่อสุขมครับชอพอวัน카จ สุขุมครับสุขุมหลวงพ่อเนี่ยแกแล้วได้ยินว่าชื่อสูห <c oughs> ่พกพอดีภาวนามาได้เกือบปีอะครับแต่ว่าพยายามทำต่อเนื่องเพราะว่าเคยอ่านหนังสือหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าข้อเสียของคารวะก็คือการที่ภาวนาไม่ต่อเนื่องนะครับไม่มีคุณทำไปเลยยั่งยั้งครับสติของคุณดีแล้วจิตของคุณตั้งมั่นเพียงแต่ตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกใช่ไหมดูออกครับ อย่าประคองไว้ที่ฐานนะให้มันไม่ถึงฐานรู้ทันมันเข้ามาที่ฐานเองพอเข้ามาที่ฐานไม่ประคองให้นิ่งอยู่กับฐา น, นปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วตามดูไปเรื่อยรู้สึกไหมจิตมันยิ้มแย้มขึ้นมารู้สึกครับมันมีปิติครับเออนะเร่ร่ำรู้ไปเรื่อยเรื่อยเป็นยังไงก็รู้ไปคุณภาวนาได้ดีนะภาวนาได้สุขุมมากเลยกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับเบอร์สิบแปดข้างหลัง ทำไปนะชาตินี้จะได้ของดีกับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือช่วงที่ผ่านมามีความรู้สึกเบื่อมากค่ะแล้วก็บางทีก็เผลอก็เผลอไปยาวเลยอะค่ะเบือ่อเบื่อตัวนี้เป็นโทสะนะค่ะมันเบือ่อเบื่อหยาบหยาบมันยังไม่เบื่อแทหรอกไม่ใช่นิพธิทาใช่ค่ะนั่นให้เรารู้เลยโทสะเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีโทสะไปค่ะดูออกใช่ไหมมันเบือ่อเบื่อหยาบหยา เบื่อๆใหญ่ๆแต่ส่วนใหญ่มันไม่เบื่อจริงดอกค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนโทสะโกรธใช่ถูกต้องนะค่ะจริงๆคือมีโทสะค่ะให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะนะค่ะและกรรมฐานที่ที่คนจะดูจิตไปนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะเพราะแม่ชีตอนนี้เป็นคนช่างคิดแม่ชีเป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดใช่ค่ะกรรมฐานที่เหมาะคนชนิดนี้ก็ดูจิตไปนั่นแหละดูง่ายจิตขี้โมโหดูง่ายที่สุดเลยค่ะ เบอร์ร้อยสิบเอ็ดขอบพระคุณค่ะร้อยสิบเอ็ดกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอ๋อแม่ชีเหมือนกันมีโผมาด้วยครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ากดไว้แล้วก็ไหลแรงอะค่ะให้ทำเป็นเปล่าว่าตอนนี้กดน้อยลงแต่ยังมีกดอยู่ดูออกไหมค่ะนะยังมีกดอยู่ไหลไม่แรงเท่าก่อนแล้วดูออกไหม ดีขึ้นนะแต่จิตมีโมหะดูออกไหมมันไม่ไม่ชัดมันมัวดูออกไหมไม่ไม่ออกไม่ออกไม่เป็นไรจิตฟุ้งซ่านดูออกไหมค่ะเออแล้วโมหะก็คือจิตมันฟุ้งซ่านนะมันจะทำให้รู้สภาวะได้ไม่ชัดมันจะมัวเพราะฉะนั้นจิตเราฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไปจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมดูออกไหมค่ะ ที่พร Origin L'ye Sublt แล้วจะรู้เอานะ แ, มชแล้วมีปัญหาอะไร存 implied grain desp. ข้า ง, งที่แล้วบอกว่าให้ทำความรู้สึกตัวให้มากขึ้นกรู้สึกตัวได้เยอะขึ้นแล้วละแล้วบอกว่าตอนครั้งที่แล้วบอกว่าประคองให้เราก็ตอนนี้ก็ประคองน้อยกว่า ก, ก่าวก่อน onneal ãy Doc. เถอะ blayforce undantuchite. Alteri psychologist. แน่นๆข我跟你 Code Mye Boninomooi. เนี่ยหนึ่งเข้านะคะ Large. แล ก็ดีขึ้นแล้วล่ะไปทำอีกแล้วเป็นกลางไม่ค่อยได้ค่ะใช่มันไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ต้องพยายามทำให้เป็นกลางนะไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางแค่นั้นพอแล้วค่ะแล้วแล้วแม่จีควรจะเน้นดูจิตหรือดูกายหรื อ, อยัางไงคะแม่จีนะไปหางานทำไว้ด้วยนะเชิญไหวไว้เพราะว่าถ้าดูจิตอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะไปซึมอยู่ข้างในไม่เคยติดประคองข้างในไว้นะ เพราะนั้นแม่ชีพยายามไปทำงานไว้เรื่อยๆที่วัดเขามีงานอะไรก็ทำไว้นะกระดุกกระดิกไว้แล้วเห็นเลยใจมันจะเคลื่อนไหวมันจะไม่เกาะนิ่งๆอยู่กราบขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณแบบเจ็บช้ำบ <c oughs> อกให้ไปทำงานเหมือน <c oughs> อ่ะเบอร์สิบเก้าทำแล้วดีนะแม่ชีเชื่อหลวงพ่อเถอะไปเคลื่อนไหวไว้ดีกว่านั่งนิ่งๆ <c oughs> นั่งนิ่งแล้วซึมส่งการบ้านครับหลวงพ่อครับ ครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าของผมเนี่ยจิตมันหลบเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็การที่เพ่งหรือเผลอเพ่งเนี่ยก็จะเข้าไปกดอยู่ข้างในแล้วก็เห็นอาการนั้นฮะแล้วก็บางช่วงมันก็เห็นว่าถ้ากดข้างในเนี่ยมันก็จะคลายออกไปข้างนอกได้เออได้นั่นแหละให้รู้ทันไปด้วยนะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นทุกอย่างล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้น กระทั่งการกดนะเรามีสติรู้อย่างเป็นกลางนะมันก็คลายเพราะว่ามันก็ไม่เจี่ยงเหมือนกันเลยดีขึ้นดูออกไหมดูออกครบไหมใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแสดงใจรักนะไปรู้เอาเบอร์ร้อยห้าสิบอยู่ตรงกลางกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกค่ะหนูเคยปฏิบัติสมถะแล้วก็หนูเคยติดแสงคะ่ะ เสร็จแล้วหนูก็ไปหา ++ur. ที่ลำพูรคะเป็นสิทธิ์ครูบาพรมาจักศ Beispiel medi, JavaScriptOTHIR дух. màum. ดู ч ิคธิ osos ได้กี Belgium เหลืวกสอนเป็นสมาถาวิปัสสนาแล้วหนูมาภึกดูจิตข Maybe, sem sufficiently different. ของกวาอ่าจารย์นี่ประมาณปีหนึ่งนะค ะ, จะก็ทำได้พอสมควรนะคะและ้ว ห, หนูเผ็นพูดรู้ง På ดู czeập พระจารยายร์แล้วหนูก็ ไปเพ่งผู้รูแล้วมันแน่นไม่ได้นะอย่าเพ่งผู้รูแล้วเศิ高 examined the injuries แล้วเศร pharmaceuticalPal Sellers พอรู้ว่าแน่นหนูก็ว่าไม่ถูกทางแล้วไม่ถูกค่ะหนูก็ปล่อยไปเลยแล้วหนูก็มาเริ่มใหม่สลาดใช่ istorique เสร็จแล้วแต่หนูก็สัมผัสได้ว่ามีผู้รูลูกซึ่งว่ามีอยู่นะแต่แต่ไม่เพ่งไว้ถูกตลงนะแล้วก็ ถ้าหนู chat การคับจะดูรงหายใจแล้วพอจิตหลายไปหรือว่ารู้กายหนูก็ดูไปก็ดีเนียได้ใช่ไหมคะแล้วบางทีหนูก็ไม่ได้ดูรงหายใจแต่พอจิตหลายไปแล้วมันรู้ได้เองเราม่รู้เองทำได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคะได้ถูกต้องแล้วแต่อย่าให้ใจติดซึมนะตัวนี้มันซึมไปนิดหน่อย ถ้าหนูเข้าไปดูลมหายใจมันจะนิ่งๆอะค่ะมันเป็นสมถะถ้าเรารู้ว่านิ่งแล้วเราก็ปล่อยไปเลยคืออย่างเงี้ยถ้าเราเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูนะจะเดินปัญญาได้เห็นว่ากายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกจิตก็เป็นแค่ธรรมชาติรู้อันหนึ่งไม่ใช่เราเหมือนกันแต่ถ้าจิตเราไหลายไปเกาะ อ, อยู่กับลมนะใจจะซึมลงไปเป็น<ช>สมถะอยากให้มันไหลลงไปให้มันเป็นคนดูอยากให้มันถล่มลงไป มันไปเองมันเคยชินไงค่ะเพราะมันเคยติดสมถะให้รู้ทันว่าถลำนะเดี๋ยวมันค่อยคลายเองพอรู้ว่ามันซึมหนุกก็ปล่อยแล้วก็หนุกหนุกไม่ใกล้ไม่ดูดหายใจมาเคลื่อนไหวมารู้สึกที่ไก่ไหมค่ะอย่าทิ้งไก่นะหนุกเขาถามสภาวะได้ไหมคะอ่าวว่าไปหนุกเคยฟังเทศอะค่ะฟังเทศที่ว่าที่พระพุทธองค์พูดกับพานยากรทัญญาอะค่ะเหตุใด ที่ว่ามีมีเหตุมีเหตุมีเหตุก็เกิดนะคะไม่มีเหตุก็ดับนะคะ、mm hmm. แล้วจิตมันรวมลงพุ่งไปแล้วก็มันพุง่งปริงปริงขึ้นมาอีกรอบห、uh huh. นึ่งนะคะ、mm hmm. แล้วแล้วมันก็ทวนว่าเออมันเป็นจริงเช่นนั้นเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นยังไงอีกมันก็คือมันทวนเราก็รู้สึกแบบเบิกบาน แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกไหมว่ามีตัวเราอยู่ในกายในใจนี้ยังมีเราเหลืออยู่ไหมมันแปลกๆค่ะมันแปลกๆเดี๋ยวหลวงพ่อดูมียังมีอยู่นะค่ะยังไม่ขาดหรอกไปทำอีกนะพี่ทำอยู่ดีแล้วละ่ะค่ะแต่อย่าเพิ่งรีบเป็นพระโสดาค่ะรู้ว่าต้องสังสมค่ะถ้าสะสมนะยังไม่ตัดนะค่ะอา้าวเบอร์ร้อยสี่สิบ แล้วมาหันดูจิตอาจารย์ไม่ว่าเหรออาจารย์ก็สอนค่ะเหรือค่ะอาจารย์หนูก็ไปไปเรียนถามอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ก็สอนเหมือนกันหมายถึงว่าคือจริงๆแล้วสุดยอดก็คือไปทางเดียวกันทั้งหมดนะคะ อ, อย่างนี้ค่อยอยัางชั่วหนะ่อย <c oughs> มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน <c oughs> ชาวพุทธนั้นมันอุบาทจริงเลยมันมีพระพุทธเจ้าคนละองค์ตีกันได้ขอพระคุณค่ะต่อไปเบอร์อะไรละ ร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบเชิญกลับในมรสการหลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกนะคะก่อนมานี้เคยไปคอร์ส ว, วิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็ยุบหน่อพองนอนะะอาจารย์พองยุบนะอย่าเรียกยุบหนอ่อพองนอน <c oughs> เรียกพองยุบแล้วก็ระหว่างที่เดินจงกรมนะคะแบบพอเดินไปสักระยะหนึ่งจะมื น, มนหัวแล้วก็เราเดินทำสมถะนะ <c oughs> เดินบังคับจิตมากไป จิตมันก็ทนไม่ไหวอันนั้นก็มือนมือนซึมซึมไปลองเปลี่ยนจากการเดินบังคับมาเป็นเดินรู้สึกตัวเดินไปสบายๆอย่าให้จิตไปเกาะเพ่งอยู่ที่เท้านะเห็นร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยขยับขยื่นเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆตอนนี้ใจไปคิดแล้วทราบไหมเวลาใจไปคิดก็รู้ว่าใจไปคิดไม่ต้องคิดหน่อสามครั้งนะใจไปคิดก็รู้ใจไปคิดก็รู้เนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมดูออกไหมใจมันไหลไป ใจมันไหลไปเราก็คอยรู้ทันเนี่ยไหลอีกแล้วทราบไห ม, คะมดูออกไหมดูออกค่ะเนี่ยให้การบ้านเลยนะต่อไปนี้ใจไหลแล้วรู้ว่าใจไหลไม่ได้ห้ามไหลนะไหลแล้วรู้ว่าไหลฝึกตรงนี้บ่อ ย, อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองแหละค่ะเบอร์ร้อยแปดสิบแปดอยู่ข้างหลังเอา้าวลูกศริษย์พระที่ลำพูนอะหลงไปแล้วเสียชื่ออาจารย์นะ การสมาการหลวงพ่อค่ะจริงๆหนูก็อยากมาขอการบ้านหลวงพ่อด้วยแต่ว่าบางครั้งหนูก็สงสัยสภาวะของคำว่ารู้สึกตัวเพราะว่าบางครั้งที่เท่าทามเนี่ยใช่ไหมคะหนูก็มีความบางครั้งมันก็มีความสึกว่าเนี่ยใช่รู้สึกตัวแต่บางครั้งก็มีความสึกว่าเฮ้ยเราบังคับอยู่นะก็คือหนูพยายามที่จะตามดูตามใช้คำว่าตามดูอะค่ะตามดูถูกใจใช่ค่ะแต่ ก็มีอาการเขาเรียกว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยกดอยู่เขาเข้าใจว่า เ, ออเราติดสภาวะของการบังคับอยู่มากเหมือนกันนะคะใช่ใช่ไหมคะใช่หนูก็เลยจะมาข อ, อการบ้านหลวงพ่ออะคะ่ะของคุณโดยพื้นฐานนะเป็นคนคิดมากอยู่แล้วค่ะนะตามรู้ใจที่เปลี่ยนแปลตามรู้ความรู้สึกไปเรื่อยๆนะความรู้สึกเราเปลี่ยนเรื่อยเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเกิดขึ้นแล้วคอยรู้ไปเรื่อยแล้วใจไหลไปก็ ร, กรู้ใจไหลไปแล้วก็รู้นะฝึกอย่างนี้เลย ตอนนี้เริ่มบังคับจะไม่ไม่ให้มันไหลแล้วใช่ค่ ะ, นะหนูหนกำลังจะคิดแต่หนูบังคับให้มาฟังให้รู้ทันว่าบังคับนี่แหละรู้ทันไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ทีนี้อีกอันหนึ่งคือในชีวิตประจำวันนะคะการที่เราจะเผลอไปเนี่ยมันมันมากเหลือเกินนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยหนูก็รู้สึกตัวว่าเราเผลอไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าความอยากหรือว่าอะไรอย่างหนูความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเรา คือเหมือนกับอยากจะให้มันไปในทางที่ที่ไม่หลงมากอะค่ะหรือว่าปฏิบัติที่ถูกอยากไม่ได้หรอกจิตมันอยากให้รู้ทันว่าอยากแค่นั้นแหละแต่มันไม่ทันเพราะว่าไม่ต้องทันอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าอยากหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าโลงโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธค่ะถ้าเงินเออในระหว่างวันเนี่ยก็คือหนูจะปฏิบัติตามรูปแบบอยู่คือคือก็คือจะทำทุกวันให้ได้นะคะเพื่อเพราะว่า อันหนึ่งหนูคิดว่าเรื่องของสมาธิด้วยซึ่งเคยฟังจากหลวงพ่อใช่ไหมคะว่ามันช่วยเกื้อกันใช่ไหมคะทีนี้หนูก็พยายามทำอยู่ในรูปแบบเออก็คือวันละชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีเวลาก็คือหนูใช้อย่างนี้ไปประกอบเพื่อเพื่อเสริมกับคำว่าความรู้สึกตัวด้วยใช่ไหมคะได้ดีทำอย่างนั้นแหละค่ะงั้นการบ้านของหนูที่คือทำอีกค่ะเบอร์ยี่สิบสองค่ะขอบคุณค่ะ อยู่ข้างหน่า cover me near me ขอ ง, งคุณที่ rac sided until you are filled with the living. รู้สึกเนี่ย는지 thinking that we haven't arrived at the road. แต่นี้ใจเราอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมรู้งวางสึกจะ olve yours? fi feel like you are here, and do not 원망 banyak time. อย่าไปติดอยู่ตรงนี้นะ verses 14th 31, he will keep at the hospital. 12, Miller แก่วนำมัสการหลงพ่อคร ора ขอความไม้ตารหลงพ่อช่วยดูสถาวจิต ช่วยนำดูสภาวะจิตให้ได้ไหมคะเราดูเอาเองก็ได้นี่โอ้โหเป็นไหมเป็นค่ะเก่งค่ะอยากอยากเป็นไหมโลภเป็นค่ะหงุดหงิดเป็นไหมดีใจดีใจเสียใจเป็นหมดเลยต้องให้หลวงพ่อพาดูทำไมดูเป็นแล้วแล้วก็แค่ว่าขนาดนี้ขนาดนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะไปดูเอานะดูได้อยู่ เราควรใช้อะไรเป็นที่อยู่บัวคาหลวงพ่อดูจิตไปเลยก็ได้เบอร์เก้าสิบสองอยู่ด้านหน้านี่ด้านหน้ากลับนรัต ก, การณค่ะหลวงพ่อค่ะหัดดูสภาวะมาได้ประมาณเดือนกว่าๆค่ะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าเราเห็นหลงคิดแล้วก็เห็นอัตตาเป็นบางครั้งค่ะก็ดีนี่ แต่ว่าเวลาดูกายอะค่ะเห็นกายแปลกๆอะค่ะคือมันเหมือนเห็นชัดแล้วมันกายมันเหมือนมันใหญ่ๆอะค่ะขนาดมันเห็นชัดมากเราก็เลยไม่แน่ใจอะค่ะว่ามันเราไปเพ่งกายหรือว่าเพ่งเพ่งใช่ไหมคะก็คือรู้ไปว่าเราไปเพ่งใช่ <laughs> ดีช่างสังเกตก <laughs> ็ไม่แน่ใจคะ่ะก็คือพยายามทำอย่างที่หลวงพ่อบอกะคะ่ะว่าคือให้มีโยนิโสมนสิกาว่าเราเพ่งหรือเปล่าอะไร อ, อย่างนี้ค่ะ ถ้าเกิดรู้อะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมดาเนี่ยไม่ใช่หรอกนะดังจะถ้ารู้สึกในกายมันจะเห็นกลายนี้ไ ม, ไม่ไม่มีความเป็นเราอยู่เลยนะกายนี้จะกลวงๆไม่มีน้ำหนักไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ใช่รู้สึกตัวใหญ่ <Yeah. S 2> ตัวใหญ่ตัวหนักตัวลอยตัวโคลงในเรื่องของสมรรถละก็คือถ้าพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการเพ่งทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ถ้าเรารู้ฐานนี้มันจะค่อยๆคลา ย, อ, ย, อ, ย, อ, ย, อ, ยออกเองหรือเปล่าคะคลา ย, ยไม่ติดสมรรถาแล้วคุณไม่ติดหรอก ยังไม่ติดใช่ไหมคะไม่ติดอ่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสติดด้วยใจมันจะฟุ้งซ่านเยอะค่ะแล้วหนูควรจะอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่ฟุ้งซ่านนี้ต้องควรดูจิตไปใช่ไหมคะดูจิตนะแต่ไม่ทิ้งกายพยายามกระดุกกระดิกไว้คเคลื่อนไหวหางานทำไปเรื่อยเรื่อยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวดูทั้งกายดูทั้งจิตถึงจะดีของคน ค่ะก็คือดูได้ทั้งสองอย่างก็คือถ้า<ม>ถ้าเราไปเห็นกายแล้วลึกถึงกายก็คือดูกายไปแต่ถ้าเกิดว่านึกได้ก็คือกลับไปดูจิตเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้จงใจดูอันใดอันหนึ่งนะคือต้องดูไปทั้งสองอย่างถ้าจงใจดูอันใดอันหนึ่งจะไปเพ่งอืมค่ะก็คือเราลึกอะไรได้ก็รู้อันนั้นไปอืมค่ะเจ็ดสิบสามพระคุณค่ะอยู่ที่เก้าอี้นั่งเก้าอี้กลับมาสักการหลวงพ่อนะคะก็เริ่มปฏิบัติได้ไม่นานนะคะครั้งแรกแรกก็ ก็เห็นสภาวะชัดนะคะอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ชัดแต่หลังๆก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะก็เลยอยากทราบว่ายังดูถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้รู้ยังถูกนะแต่แรงไม่พอแล้วคุณควรจะทำในรูปแบบบ้างทุกวันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ไปเดินจงกรมบ้างเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูอย่างนี้บ่อยๆใจจะมีแรงขึ้นมาตอนนี้แรงไม่พอ เวลานั่งคือเวลานั่งสมาธิตอนจะสวดมนต์ก่อนนะคะแล้วก็อตอนเช้าก็จะทำสมาธิแต่ว่าฟุ้งซ่านตลอดอะค่ะไม่เป็นไร<ส>ไม่ห้ามนะสมาธิไม่ได้ทำเพื่อเก็บกดไม่ใช่ไปทำบังครับมันค่ะฟุ้งซ่านหรู้ว่าฟุ้งซ่านไปทำไมจิตถึงสงบได้จิตสงบได้ถ้าจิตมีอารมณ์ที่จิตชอบเป็นเครื่องอยู่เช่นบางคนชอบพุโทโธไปพุโทโธแล้วจิตมีความสุขจิตก็สงบ บางคนรู้ลมหายใจจิตชอบลมหายใจนะรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขจิตก็จะสงบเพราะฉะนั้นเราต้องดูทำไมเราทำกรรมฐานแล้วจิตไม่ยอมสงบจิตอาจจะไม่ชอบอารมณ์ที่เราใช้อยู่เรากลายเป็นเราบังคับให้จิตสงบเนี้ยจิตจะไม่สงบแต่ถ้าจิตมีความสุขนะจิตจะสงบลองสังเกตดูว่าใจเราชอบอะไรยังบางคนชอบอ่านพุทธประวัติเนี่ยมีนะอ่านพุทธประวัติแล้วมีความสุขจิตสงบอย่างเงี้ยมี ก็ต้องหาไปเรื่อยๆหรอคะเพราะว่าตอนนี้ใช้หายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมหายใจแล้วไปบังคับจิตนะมันก็เลยไม่สงบง่ายต้องเปลี่ยนใช่ไหมหายใจอย่างสบายไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรอกรู้ลมหายใจไปรู้อย่างสบายๆดูแบบผ่อนคลายนะหายใจด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายเดี๋ยวก็สงบเลยเคล็ดลับของความสงบนะคือความสบายความสุข เวลาที่ทำงานนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนฟุ้งซ่านเยอะแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อค่ะให้รู้ลงเลยนะฟุ้งซ่านก็รู้เบื่อก็รู้จิตเป็นกลางขึ้นมาก็ตั้งใจทำงานอีกอ่ะต่อไปร้อยเก้าสิบกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูก็ฝึกปฏิบัติของหลวงพ่อมาได้ประมาณปีหนึ่งนะคะช่วงหลังๆประมาณสองสามเดือนนี้รู้สึกว่าตัวเองติดเพ่งอะค่ะจะมีเพ่งเป็นระยะระยะติดเพ่งใช่ ทำไมถึงเพ่งอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ต่อเนื่องอะไรพวกนี้จะกลับไปเพ่งเพ่งแล้วก็ทำไงดีก็ควรจะรู้ว่าเพ่งเฉยใช่ปะคะใช่ก็เลิกเพ่งซะก็หมดเรื่องต้องคิดอะไรมากอ่ะแล้วก็เวลามีปัญหาทางโลกมากระทบเนี่ยค่ะจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยจะไม่เป็นกลางอะค่ะจะเข้าไปคลุกกับมันให้รู้ทันนะว่าใจไม่เป็นกลางใจเข้าไปคลุกแล้วคอยรู้ไป ถ้าคลุกแล้วทุกน ะ, ะถ้าไม่เข้าไปคลุกกับปัญหาเนี่ยไม่ทุกหรอกห้าเบอร์สามสิบหกหลวงพ่อมีการบ้านอะไรจะให้ไหมคะเวทีทำอยู่แค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วข อ, คณอยากค่าขี้เกียจนะสามสิบหกในวารสารหลวงพ่อครับคือสมถะผมใช้เพ่งกสินไฟครับแล้วก็พอออกจากสมถะมาก็ใช้แบบหลวงพ่อดูจิตแล้วก็อยากขอวิหารเราทำจากหลวงพ่อครับชอบมีฤทธิ์เนาะ แล้วเพ่งไฟติดยังยังไม่ได้ปฏิภาคในมิตรเลยครับอะไรนะยังไม่ได้อีกเหรอครับอย่าไปได้เป็นอุกติในมิตรแล้วครับเอออย่าไปเล่นเยอะนะพยายามกลับมาคอยรู้กายรู้ใจไปลองเปลี่ยนวิธีเพ่งกระสินใหม่แทนที่จะเพ่งไฟข้างนอกนี่นะเพ่งเผาตัวเองเลยเพ่งเผาร่างกายตัวเองบ่อยๆนะลองดูสนุกเปลี่ยนเป็นอนาปาณสติแล้วครับไม่ใช่เล่นไฟนี่แหละ แต่แทนที่จะเป็นไฟดูไฟอยู่ข้างนอกเป็นดวงข้างนอกเนี่ยเอาไฟนี้ย้อนเข้ามาเผาร่างกายตัวเองเผาให้เป็นขี้เท่าไปเลยคร<ะ>ับไปลองดูนะคร<ะ>ับสนุกหรือเปล่าครับร้อยห้าสิบหกนมัสการค่ะหลวงพ่อแล้วมาส่งกันบ้านนะถ้าไหม้แล้วมาบอกนะแล้วว่างไงหนูก็อะไรนะตื่นเต้นลืมไปเลย <laughs> なぜなら。<音楽><音楽> คอยรู้สึกไปอย่างสบายๆเราหนูแบบว่าหนูยังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าหนูอยากจะแบบเล่นๆเหมือนตอนแรกๆที่หลวงพ่อเคยพูดอะไรเงี้ยหนูยังจะเล่นๆได้อยู่หรือเปล่าคะไม่ต้องเล่นแล้วนะด <c oughs> ูไปตามธรรมชาติธรรมดาเลยใจมีเรี่ยวมีแรงที่จะคอยรู้ทันตัวเองละคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆแต่ตอนเนี้ยจิตหนีไปคิดทราบไหมทราบค่ะนั่นแหละหัดรู้นะรู้เป็นละหัดฝึกบ่อยๆ หนูเราหนูพ่อค่ะไอ้หนูสงสัยคำว่าตัวปลอมค่ะอะไรนะตัวปลอมค่ะตอนนี้เหรอไม่ปลอมเท่าไหร่หรอกหนูกลัวว่าหนูจะแบบเป็นตัวปลอมอะไรเงี้ยค่ะไม่ปลอมหรอกนะปลอมนิดเดียวปลอมนิดนึงใช่ไหมคะนิดหน่อยคนอื่นปลอมมากกว่านี้อีกอ๋อค่ะหนูแบบเห็นคนอื่นเขาแบบพูดพูดแล้วแบบเสียงเขาจะนุ่มๆเลยอะค่ะเออนั่นแหละตัวปลอมแหละหนูแบบอยากจะนุ่มๆมากเลยไม่ต้องนะ ไม่ต้องใช่ไหมคะอย่างหลวงพ่อเนะี่ยถ้าจะเป็นหลวงพ่อตัวปลอมต้องเทศอย่างเงี้ยพวกเราต้องคอยรู้สึกตัวไว้ห <c oughs> ลวงพ่อตัวปลอมข้าวเบอร์เจ็ดสิบหลวงพ่อค่ะอิดอิดหนึง่ง <c oughs> มีคนฝากถามมาค่ะบอกว่าเมื่อไหร่ค่ะจะต้องเปลี่ยนอารมณ์นะคะอารมณ์มันเปลี่ยนตัวมันเองอยู่แล้วอยังไปต้องเปลี่ยนอารมณ์เมื่อไหร่ล่ะอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้อย่างเรามองเห็นใช่ไหมเรามองแวบเดียวเดี๋ยวเราก็มาคิดละ ความคิดเป็นอารมณ์แทนรูปที่มองเห็นแล้วอารมณ์น่ะเปลี่ยนอยู่ตลอดแล้วเบอร์เจ็ดสิบขอบคุณรครับหลวงพ่อครับเมื่อสามเดือนที่แล้วโดนหลวงพ่อฆ่าเรียบร้อยวันนี้ก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่หรือจะให้หลวงพ่อช่วยดูสภาวะจิตวันนี้ครับวันนี้ดีกว่าวันก่อนเยอะเลยนะครับดีภาวนาไปครับผมนับหนึ่งทุกวันนะครับเบอร์แปดแปดแปดแปดอยู่ที่ไหน รู้สึกไหมตัวปลอมตัวแปลกแปลกอะรู้สึกไหมไม่ไม่ค่อยชาครับนะทำหลอกกว่าความจริงอะดูหลอกไหม<ล>ครับทำหลอกความจริงครับก็จะกราบถามว่าออจิตของผมมันตั้งมั่นหรือยังครับมันดูไม่ค่อยออกอะครับเลยดูอย่าที่ดูได้สิภาวนามาถึงตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับ <c oughs> มีหน้าที่แค่ตามดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่าไปปกครองให้นิ่งตอนนี้เริ่มปกครองอะหรือออกไหมครับมั น, น<ะ>หลอกขึ้นเรื่อยแล้วเป็นแก้ทำหลอก <c oughs> ตอนไม่รู้จะทำไงแล้วคนมันเกิดมาหล่อแล้วอาการถึงฐานนี่มันเป็นยังไงครับจิตรู้จักจิตที่หลงไปคิดไหมรู้จักจิตที่ไหลไปไหลมาไหมถ้าจิตไหลไปรู้ว่าจิตไหลนั่นมันจะถึงฐานพอดีเลยแต่ถ้าจิตไหลไปแล้วพยายามดึงคืนมาไม่ถึงฐานหรอกแต่จะแน่นแทนแล้วผมมีดึงคืนมาบ้างไหมครับตอนนี้กำลังดึงแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันไม่ถึงฐานทีเดียวหรอกมันสบายมากไปนิดนึง ใจมันไปติดว่างๆนิดหนึ่งครับมันว่างอยู่ข้างนอกหรือเปล่าครับใช่ไปว่างข้างนอกครับผมพอดีมีพี่สาวมาอย่าอย่าน้อมใจให้ซึมนะอ่ะครับผมอ่าว่าไปพี่สาวมาอยู่ข้างๆเนี่ยครับอ่าว่าไปอยากส่งกลับบ้านครั้งแรกอะครับอยากส่งเปล่าหรือถูกบังคับนี่มีหนูถูกบังคับให้จับไหมกล่าวกับพระคุณกรรมนวัตสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาครั้งแรกที่ปฏิบัติอยู่ ทุกวันนี้ก็จะใช่วิธีหลังจากสวดมนต์ก็นั่งสมาธิแต่ในช่วงระหว่างวันก็จะดูจิตไปมไม่ทราบว่ า, าต้องปรับ ป, ปรุงอะไรไหมคะตอนนั่งสมาธิอย่าน้อมใจให้ซึมเวลานั่งอย่างน้อมใจอยู่น้อมไปให้นิ่งน้อมไปอย่างเงี้ยไม่ดีน้อมแล้วติดความซึมหมดมาค่ ะ, ะต่อไปเบอร์ร้อยแปดสิบสามอยู่ข้างหลังร้อยแปดสิบสามมีวันนั้นไปเทศที่ไหนก็ไม่รู้ มีคนหนึ่งมาหาบอกว่าหลวงพ่อเรียกหนูไว้แล้วบอกเบอร์ไว้แล้วแต่เขาไม่จด <iras S 1> ค่ะเพราะฉะนั้นหนูเลยตามมาทวงอ้าวร้อยแปดสิบครับกั บ, บ, บนักศึกษาหลวงพ่อครับผมนับหนึ่งเลยครับเพิ่งสนใจนะครับแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือของหลวงพ่อได้สองเล่มก็คือแดกผู้มาใหม่นะครับกับดูจิตปีแรกหลัอยางการจบก็ฝึกฝึกบ้าง ตามที่อ่านนะครับก็เลยไม่ทราบว่าที่ได้ทำบ้างงูมูปะปานี่ถูกต้องไหมดีสิฝึกไปนะกิเลสเกิดขึ้นคอยรู้เอาเห็นกิเลสตัวไหนบ้างแล้วล่ะตัวโทสะชัดเจนเวลาเกิดขึ้นนะฮะแล้วพวกอากุศลจิตทั้งหลายอันทั้งนี้จะเห็นดีตัวบ่อยๆนะยิ่งเห็นอากุศลมากเท่าไหร่ยิ่งดีคือบางทีเราคิดไม่ดีปุ๊บเราจะรู้เลยฮะดีใช้ได้ไปฝึกอีก ครับและ้วอย่างอย่างเรียนพอครับถามหลวงพ่ออีกนิดหนึ่งคืออย่างสมมติถ้าเรารู้ว่าจิตเราไหลตัวอย่างเช่นสมมติเราดูทีวีเรารู้ว่าเราจิตเราไหลไปข้างในละ<อ>แต่เรารู้ว่าไหลแล้วเราก็ชื่นชมปิติกับสิ่งที่เราไหลไปเราจะทำยังไ ง, ไงฮะจิตมันไปติดอารมณ์น่ะสิใช่ครับก็ให้รู้ซ้ำลงไปอีกว่ากำลังชื่นชมอยู่รู้รู้ฮะแต่ว่าไม่ต้องเอากลับใช่ไหมฮะอย่าดึงนะนะฮะและ้วมั น, เ ห, นเห็นเห็นไหลไปเนี่ยอย่าดึงคืนถ้าดึงแล้วจะแน่นฮะแต่ก็ชื่นชมก็อยู่ข้างในเลยอย่างนั้นล่ะฮะ มันชื่นชมไม่ได้ตลอดหรอกใช่ครับเดี๋ยวดูไฟมันก็ดับเหมือนกันแล้วตอนนี้ถือว่าได้เริ่มแล้วยังครับเพราะผมไม่รู้ตัวฮะถ้าเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาได้นะก็เริ่มแล้วล่ะแล้วครับกิเลสเรายิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีนะเราเห็นบ่อยๆครับแต่โกรธเนี่ยชัดเจนนะครับครับเบอร์หกสิบสองนวัตการค่ะคือหนูกำลังสงสัยค่ะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยกับช่วงนี้ค่ะ การปฏิบัติของหนู แ, <ป>แบบไห น, นเดียวกั น, นสุขุมหลงสุขุมคือช่วงไหนที่หนูปฏิบัติได้ดีกว่ากันนะคะฮะช่วงไหนกับช่วงไหนล่ะช่วงช่วงประมาณเดือนที่แล้วค่ะกับประมาณช่วงมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงตอนนี้เหรอค่ะกับช่วงกรกฎาหลังๆเนี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ดีเนี่ยตอนนี้คือมันดีขึ้นดีขึ้นก่อนหน้านี้มั น, มนสึกไม่พอใจมันเป็นธรรมชาติมากขึ้น มันเบามันรู้ได้เบาเบารู้ได้สบายดีขึ้นแล้วล่ะไปดูอีกแล้วมันมันติดล็อกหรือว่ามีปัญหาอะไรปะคะยังยังไม่มีนะแล้วมันติดติดสุขหรือว่าติดสงบไม่ติดไม่ติดใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อจะแนะนำไปดูอีกนะไปดูอีกตอนนี้ยังไม่ติดอะไรหรอกแต่รู้ได้เบอร์สิบหกสิบหกอยู่ที่ไหนสิบหกไม่มี อ๋อร้อยสิบหกไม่ใช่สิบหกหรอกร้อยสิบหกยกมือไว้การนมัสก า, ารครับผมก็ที่ปฏิบัติที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ต้นปีมาก็เห็นเห็นว่ากายไม่ใช่อของของตัวเองนี่ชัดๆนี่มีสามครั้งครับก็ตอนอาบน้ำนี่สองครัง้งก็กลัวไม่ไม่รู้อะไรเพิ่มแค่กลัวมากๆแล้วก็กลัวนะให้รู้ทันใจที่กลัวก่อน กลับมารู้ที่จิตนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลับมาดูที่จิตไว้แล้วจะปลอดภัยแล้วก็ตอนตื่นนอนมีครั้งหนึ่งจิตมันตื่นขึ้นมาก่อนครับถูกต้องจิตแล้วมันเห็นร่างกายเป็นเปลือกแข็งแข็งใช่แล้วก็กลัวมันจิตมันก็วิ่งพลาดข้างในครับเออให้รู้ทันว่าจิตวิ่งพลาดไปแต่ว่ามันเกิดความอยากขึ้นอยากที่จะมีความอยากก็ให้รู้ทันครับผมถูกต้องแล้วนี่นะเกิดอะไรขึ้นก็กลับมารู้ทันจิตไว้แต่จิต ยังไม่เห็น morally แต่ว่าเพราะว่าครหนั้ง seid ครั้ง nữa มีครั้งหนึ่งความ littlef drieble ี vette drilling pity on. และมันมีเกล็ดการวงการ porque I could do what they know man. แต่ Veg 적 i 셔서 obscurs これは then it's not too much, แต่ว่า Cleaver had eyes when i showed her experience with people. ่าลงพ้อบอกให้ดูเฎอ ABOUT�� んไม่ดู whales like now พริกให้ดูกัจากตวหนบ accomplish what change ความเข้าใจจะเกิดถานตอนนั้นคอมัน ת my mind ก่อนที่มันจะวางไปแล้วความทุกข์มันก็ขาดไปแต่มันเห็นได้แค่นั้นครับผมแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมเดินในที่ทำงานชอบเอามือไปเคาะผนังแล้วมีจังหวะหนึ่งมันเคาะไม่โดนแล้วรู้สึกว่าเห็นจิตมันดับที่ปลายมือหลังจากนั้นตอนตอนที่ดึงมือกลับร่างกายมันมันเคลื่อนไหวไม่ต่อกันครับมันเหมือนพยับแดดครับพลึบพลึบพลึบพลึบกลับมานั่นแหละเป็นเห็นรูปนะแล้ว มันสถานวันวันใย ก, กลัวขึ้นมาอย่างสุดขีด <uy> เลยครับก็เห็นได้แค่นั้นแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดปัญหาขึ้นกับรถยนต์ที่ซื้อมาใหม่แล้วเห็นจิตมันไหลไปเกาะเป็นห่วงก็เตือนตัวเองว่าตายตอนนี้เป็นผีเฝ้ารถแน่อะไรเงี้ยก็มา <c oughs> ก็มาเดินจงกรมเ <c oughs> ดินจงกรมก็คอยเตือนเตือนแล้วก็เป่าลงหน่อยครับ ครัอ้งนี้ก็ไปนั่งภาวนาก็มันไม่ยอมสงบแต่ว่ารู้สึกตอนนั้นว่าจิตมันคล่องแคล่วมากมก็เลยยกเอาอทำไงดีมันยังไหลไปเกาะ อ, อยู่ครับก็เลยยกเอาพวกต้นไม้ว่าเขาก็อยู่ของเขาอะไรเงี้ยรถยนต์ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกันไม่ได้ต่างกันครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันเบาลงครับเกือบหายอันนั้นเป็นสมถะนะเป็นการแก้อาการของจิตนะ チームランバウンド、チームランジャーガー、オキャッカイ、ライアンガイム、ピンコーン、ユタンハーク、ヨーカイキンペペティア、サムシン、ロシクワマン、ナムンガ、ムンロシク、コマンバラミライ、ムンバープル、ムンゴイン、かゥーンガマカ、フィジット、チョントウウウウエイ、フォンダワー、トゥーン ชนโคมเข้าครับผมว่าอัตตาครับเจอครับแบบอะไรเจออะไรอัตตาครับก็เลยไม่ยอมต้องหาจิตให้เจอแล้วก็เอาไปวิ่งไปควานหาก็ยึดสภาก็เคยได้ยินหลวงปู่ดูลย์สอนไหมใช้จิตไปแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอมันเจอเมื่อหยุดแสวงหาภาวนาดีนะไปทำอีกนะครับผมคราวนี้มีมีข้อที่ยีเรียนถามว่า ซูภูวานี้เวลานั่งภาวนาแล้วมันจะชอบความสงบมากกว่าครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตเราเจอปัญหาอะไรมาบางอย่างเนี่ยเรายกข้อธรรมที่เราเจอมาตอนนั้นเนี่ยเข้ามาลองพิจารณาเล่นๆแบบนี้ได้ไหมครับได้เป็นอุบายนะเป็นอุบายไม่ให้จิตติดความสงบเฉยๆอยู่เป็นการกระตุ้นให้จิตทำงา น, นแล้วก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆขึ้นเป็นอุบายขอกระด้บบานเพิ่มเติมเลยครับไอ้ที่ทำอยู่ก็เยอะแล้วนะ <笑> in. <mantra> 私は何をしてるのか นึกถึงจิตใจของเราสมัยที่ยังปฏิบัติไม่เป็นนึกออกไห ม, ไมจิตใจอออแล้วตอนเด็กๆใจเราก็ซนไปซนมาอะไรเงี้ยมันไม่มาประคองให้นิ่งหรอกนะพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราอยากให้มันดีเราก็ไปควบคุมมันไปแทรกแซงมันบังคับมากไปปล่อยซะให้มันซนๆบ้างตอนนี้ก็ยังมีนิ่งๆอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะตัวจริงซนน ะ, ะแต่แว่าตัวปลอมเนี่ยทำเป็นเรียบร้อยเอาตัวจริงออกมาก็คือ ถ้ามันแน่นขึ้นมาก็ให้รู้ไปเช่นนี้จ้ะเลิกไปเลยอ๋อเลิกไปเลยเออแล้ ว, ล ว, ลวค่อยรู้สึกเอาใหม่นับหนึ่งใหม่อ๋อต้องหาภาษาใหม่ๆนะเจ้าค่ะใช่ขอบพระคุณเจ้าค่ะร้อยสามส่งกันด้านคะ่ะหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอเคยบอกว่าจริตหนูพุ่งสร้างหนูก็เลยพยายามปฏิบัติก็คือหาวิหารธรรมให้มันก็พูดโทรไปะคะ่ะแล้วก็ตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆะคะ่ะหลวงพอ่อ เห็นจลิตเฮ้ยเห็นกิเลสเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะก็เลยอยากส่งการบ้านหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยพัฒนาขึ้นบ้างหรือยังคะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วไปทำอีกนะทำดีแล้วค่ะเบอร์หกมีที่ไหนเหลือสองคนเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วอดทนไหมมีใครเปิดหมอลำส่งการบ้านค่ะหลวงพ่ อ, อ, พอก็คือช่วงนี้ มีความรู้สึกว่าจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็มีความโปร่งโล่งว่างเบาสบายมากขึ้นขณะนี้นจิตถึงฐานไหมไม่เค่อยถึงที่เท่าไหร่ให้รู้ทันนะจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตสงบจริงอะแต่ไม่ตั้งไม่ถึงที่มันมันอยู่นอ ก, น, อกนิดหนึง่งคือบางครั้งมีความรู้สึกว่าถ้าถ้ามันตั้งมัน่นเขาจะไปติดเพ่งอีกค่ะหลวงพ่อ อ, อ, อย่ากลัวมันอย่าไปเพ่งอย่าจงใจไม่ตั้งมัน่นให้รู้ว่าไม่ตั้งมัน่นแล้วมันพอดี ถ้าไม่ตั้งมันแล่นเราอยากให้ตั้งมัน่นเราก็จะไปเพ่ยงเอารู้สบายสบายเอานะอ่ะน้าคนสุดท้ายเบอร์เจ็ดอยู่นี่มาสการ์ค่ะเออหนูเรียนกระดุมพ่อมาก็ปีหนึ่งพอดีเลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกโมหะเยอะอะค่ะมันโมโม่เล็กน้อยนะคะ ไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติปฏิบัติดีแล้วเนี่ยดีไหมคะเราเห็นกิเลสมีอยู่รู้ว่ามีกิเลสนะแล้วก็รู้ด้วยใจเป็นกลางก็ใช้ได้ค่ะมันก็เป็นกลางบ้างอันหนึ่งรู้สภาวะที่เกิดขึ้นอันที่สองพอรู้แล้วเกิดยินดีให้รู้ทันเกิดยินร้ายให้รู้ทันค่ะฝึกอย่างนี้เลยค่ะก็เป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางถูกต้องนะค่ะเชิญยกกลับบ้าน